เกี่ยวกับเครื่องในฮะพูดง่ายๆมันไม่ใช่เกี่ยวแต่นอกๆต้องใช้เวลาตรวจนานพระก็เลยไปด้วยกันสององค์ไปนอนอยู่ที่ตึกสงอาพาษโรงพยาบาลศรีนครินทร์อนแกน่นนี่เป็นคืนที่สองนะตรงพอถามเมื่อกี้เป็นยังไงอาการพระป่วยแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าความดัน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 ทั้งหมด29บเกองค์นะพระยี่สบเกาสมมณีหนึ่งพระลงมาฉันยี่หงดฉัน4ี่โรบวันนี้แต่นับทั้งพระไปป่วยด้วยก็31สอองค์ใชวันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารยห้าสบเจ็ด้า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 แล้วก็นางคุชชชุดชาชุดราที่เป็นตัวค่อมเพราะกรรมอล้อเล่นกับพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนใช้เพราะว่าใช้ให้พระ อ, อรหันต์ภิกษุณีหยิบของมาให้ตนเองแต่ว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะว่าได้ปนิบัติปฏิบัติ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 แต่คนนี้ทำไมทำไมจึงไม่ดีเลวอะไรก็เสียหายหมดเพราะอะไรพราะพูดไดเจ้าตรึงก็รู้พระหันที่ท่านมีญาณทัศนะท่านก็รู้เพราะว่ากรรมชั่วให้ผลคนนี้กรรมดีให้ผลในช่วงดีกรรมให้ผลพวกเราก็อยาประมาทควรประกอบคุณงามความดีไปเรื่อย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 ที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่ก็เป็นนิทานมาในพระไตรปิฎกในเรื่องเดียวกันแต่วันนี้จะขคร ย, ยายผลว่ากรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันนกัำกรรมทํากรรมอันไหนไว้ในปัจจุบันใการกรรมได้รับยังไงคือนางสามาคันธยาเป็นลูกของพรามณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านนั่งนั่งสมาธิหรือว่าเข้าฌานหรือว่าตอนก่อนใกล้รุ่ง พระพระเจ้าจะเข้าสมาบัติคือเข้าฌานแล้วก็มองมองดูสัตวโลกทั้งหลายใครจะเข้ามาในในข่ายในพยานที่จะแนะนำสั่งสอนในวันนี้แต่ที้ท่านก็มองไปเห็นพราหมณ์สองตายาย อ, อยู่ในชนนบทแต่เป็นผู้มีศรัทธาพระองค์ไปโปรดไปโปรดพราหมณ์ผู้เป็นสามี ที่เข้าไปในท้องนาเขาไปทําธุระในในนอกบ้านทีนี้ก็พระพุธองก็บอกว่าพราหม่มีอะไรทํำยังไงแต่นี่พราหม่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหพระคุณท่านทำไมสวยงามขนาดนี้ปุริศลักษณะเข้ากับตํำราพราหม่มทั้งหมดสมควรที่จะเป็นลูกเขยของเราลูกสาวของเราก็ไม่ใช่ย่อยงามที่สุดใน เออในท้องที่นี้ฮะเออจากนั้นท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกแม่บ้านกับลูกสาวมาหาใครเข้ามาคุยกันมาเจอกันพอเห็นแล้วก็ถูกชะตากรรมถูกตากัน่ะก็พ่อเหตุไรก็ะเพราะว่าพราหมณ์คนนี้เคยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้ามาตั้งห้าร้อยชาติติดต่อกันนะนังนี้ท่านก็เข้าไปเข้าไปบอกแม่บ้านกับลูกสาวออกมา แต่นี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่า้ออางว่าเห็นมองเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปพระพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์เหยียบเหยียบรอยเท้าไวต้ตรงนั่นแหละตรงที่พบกันกับพรามเหยียบรอยเท้าไว้ให้เห็นแต่นี้นางออกับลูกสาวกับพ่อก็อมาพอดีมาเ อ, อ๊ะท่านออส ม, มณะอยู่ตรงนี้หายไปไหนวะ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 เพราะผมสองตายายนะะก่แกแล้วสมบัติก็มีมากพอจงควรฐานะก็ไม่แพ้ใครในท้องถิ่นลักษณะอย่างนั้นหละท่านมาครองเป็นฆราวาสซะพระพรทธองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่ยินดีที่จะคลองฆราวาดท่านก็เทศให้พราหมณ์สองตายายฟังเทศให้ฟังแบบสุดๆระเบียงันท่น สองตายายนะก็ฟังธรรมเทศนาได้สําเร็จพระอนาคามีนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเนะีผู้ที่จะได้สําเร็จพระอนาคามีไม่ใช่ธรรมดาเกือบถึงพระรหันเนะี่ยเป็นรำขั้นขั้นที่สมเลยพระโสดานะีพระโสดาเป็นขั้นแรกพระชะคาคามีเป็นขั้นสองพระอนาคามีเป็นขั้นที่สมเป็นพระรหันเนี่ยเป็นขั้นที่4เรามักสี่ผลสี่ทิพย์พันหนึ่ง อนท่านได้สาเร็จเป็นพระนาคามีทั้งสองตาใหญ่เออแต่จากนั้นเอาเอาล้วนะพาม เ, าเราไม่สนใจเรกเรื่องการม ก, กิเลสทั้งหลายเออเราเบื่อมันตั้งแต่อยู่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราชนะแล้วเรื่องการม ก, กิเลสที่โค้นต้นโพทั้งกับมรรยาทลักษณะไม่มีความเยื่อใยเอ่อจากนั้นพระโนก็หายปั๊บแต่นี้นพอนาง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 โคมท่านนี้เนี่ยแหละผูกอาคาตนะผูกอาคาตในพระพุทธเจ้าจากนั้นสองตายายท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระนาคามีจากนั้นท่านก็ไม่นานแล้วก็ละขันของท่านก็เข้าสู่พรมพรมพร ม, มโลกพรมอวิหาอัตตาปาทุศสาทุศเสียกนิถาพรมคือพรมพระนาคามีแต่ตอนนี้ท่านก็มอบลูกสาวให้กับอา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 แต่ทั้งเขไม่ได้พูดถึงนางสามาคันธยานี่เป็นอะไรทำไมจึงมาผูกอาคาตพยาบาทจองเวรถึงขนาดนั้นนะพอต่อมาทางสามาคันธยาได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนเทนี่เพราะว่าเป็นผู้มีร่างกายสิทธสวยงดงามเขานายคัณยานี่กเยเอามามอบให้พระยาอุเทนมีอเทงก็รับเป็นอัครมเหสี แล้วก็เป็นคู่แข่งของนางสามาวดีทนั่นแหละอิจฉากันเนี่ยนะความอิจฉาตัวนี้แหละในปัจจุบันเนี่ยสาวมาวดีเนี่ยเป็นผู้ยินดีเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สาเร็จพระโสาดาบันทั้งห้าร้อยคนในบริวารแต่สามาคณายานเนี่ยว่าเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาในเมืองเท่านั้นละ่ะจ้างคนดา่าะ ด่าพระพุทธเจ้าคนนั่นเอาเงินจ้างเขาใครด่าพระพุทธเจ้าได้เอาจะให้รางวัลนะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะจต้ายาจูมลูกหลานนะจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าด่าสิบคำพูดสิบประการที่คำด่าสัรขาสรรหาคำพูดให้ด้วยนะไออูดไอบัวไอควายไอหัวล้นไอนรลก อไอ้สาลเลวเนี่แหละลักษณะจากนี้แหละคำด่าของเขาในสมัยนั้นดา่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยเดินบินเทาดาในเมืองพวกนี้ลุมด่าเหมือนกับหมาหมาไล่เห่าเห่าคนลักษณะอย่างนั้นแหอะไปที่นี้นก็ลุมด่าพระสงฆ์ทั้งหลายผู้มีกิเลสอย่างพระ อ, อ น, นุนรับไม่ได้เนะ น, นี่ยพระอนุรับไม่ได้ว่พระพุทธองค์ กับเธอหนีไปอยู่เมืองอื่นเดอะพระพุทธเจ้าข่าคนด่าแล้วเกินเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ทุกข์ยากเแล้วเอเกินนะถึงอย่าลูกทุกข์ยากขอบินทาบาตแต่ก็ไม่น่าจะด่าถึงขนาดนี้ทําไมจึงด่าขนาดนี้พระองค์บอกว่าจะไปที่ไหนละอาน non น, นู่ น, นเลยไปเมืองสางวถีนั่นแหะที่คนนับถือมากๆไปเห็นเขาด่าเราเน่ยถ้าต่อไปเมืองสางวัถีด่าเลยจะไปเนี่ยไปราชคือเหมือน ถ้าข้าราชการขึ้เขาดา่าไปสาเกตเออโกสัมำีไปเรื่อยเมืองเขาที่ไม่ดา่านพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลย อ, น, อนุนเรื่องมันเกิดที่ไหนควรจะให้มันดับอยู่ที่นั่นซะก่อ น, นยค่อยไปถ้าไปอย่างนั้นแปลว่าไม่มีที่สุดสิดส้นสุดไปแล้วเขาก็ด่าไปเรื่อยอย่างนั้น เ, เราตถาคตปรารถนามาเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงใครจะด่าก็ด่าเถอะไม่เกินเจ็ดวันอนุนเดี๋ยวเลือกเขาด่าจะหายเงียบไปอันนี้เขาเราปรารถนามาจากนี้เพราะนั้นไม่ต้องนั่นแ่ะให้อยู่ในความสงบพอถึงเจ็ดวันเขาก็หมดคำด่าเหมือนกันเงียบเก็บเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกลุงอุชเชนีพญาอุเทนนีจากนั้นก็นานนี่ก็ยังโมโหอยู่ให้อาของตนเอง เอาอาหารเอาไก่มาไก่ตายมาแปตัวไก่เป็นมาสิบตัวแล้วก็ส่งให้นางสามาคนิยาเนะี่ยไปทำอาหารถวายถวายพระเจ้าอุเทนนะเนี่ยนางสามาคันิยาไปทาได้ยังไงเพราะไก่ไก่เป็นนะพระโสดาบันใช่ไหมนางบอวาทำไม่ได้แล้วก็นี่เอาส่งไก่ตายไปให้เอาไปทำให้ส ม, มณะโครม นางก็ทำาใยยินดีทำไปถวายพระเออก็เน่หละเห็นไหมพญาอุเทนเหมือนกันฟ้องพระสวามีของตนเองเอพอเป็นอัคคเมเห ส, สีสองคนนี่ะสามาคันธยากับสามาวดีพระเจ้าอุเทนท่านกนใจหนักแน่นก็เฉยก็ไม่ไม่ว่าอะไรต่อไปก็หาเรื่องใส่หาเอางูใสมีอะไรต่อมีอะไรผลที่สุดก็ให้ อ่าตัวเองเนี่ยไปเผานางสามาคันธยานเนีอยพระเจ้าอเท็นก็เสด็จไปอยู่นู่นอยู่อุทยานเผาทั้งนั้นเ่ะพระเจ้าเทนกลับมาที่ไหนได้เผาหมดทั้งห้าร้อยคนน่านเลยบริวารของนางสามาวดีเออทีนี้พระเจ้าเท็นจุกเหมือนกันนะโอ้ไม่รู้จะเอายังไงวะมันใครเผาวาแต่มั่นใจว่านี่คงเป็นสามาคันธยานี่ยเพราะมัน หลายเรื่องมันหาเรื่องใส่เขาอยู่ตลอดแต่เราก็เฉยเฉยแต่ถ้าเราจะขู่นะี่คงไม่ตอบคงไม่บอกเราแน่แนคงไม่บอกเราเราคงจะใช้แบบใช้แบบดีๆพูดดีๆใช้เรียมจะดีกว่าแต่นั้นพยาวปูเทนก่อนจัด ก, การเก็บสิ่งของที่เขาเผาอาคารทั้งคนทั้งกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นั่งโตสเสวยแลยท่านเลยนางสามาคันทยาในกดดีใจว่าตัวเองประสบสําเร็จแล้วท่านีลยพระเจ้าอุเทนเขโอ้เราคิดว่าเนี่ยที่เรื่องต่างๆที่เผาอราชสวังเนี่ยเราคิดว่าคนที่จงรักภักดีเราน่ะที่ทํานี่นะคนที่จงรักภักดีรักเราเขาจึงทําอย่างนี้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 โผคนมานักเลงคนะน่ะอผลในสุดพระเจ้ า, าเทนเ อ, อ๊ะอย่างนั้นเหรอผลเาอาจับนะเออพราะว่าพระเจ้ า, าเทนเป็นธรรมนี่นันดัวละสามาคันทิยาสามาวพอดีเนะี่ยเป็นคนเป็นผู้มีศีลธรรมเ อ, อเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความแปลกแตกต่างพลเนอคก็จับพอจับจะเอาเรียกมาทั้งหมดตระกูลแต่เทลักไม่ใช่ อ, อพอไม่ได้จับหรอก พอช้ามาคณยาใช่ดิฉันนั้นเป็นผู้จัดการโอ้ควรจะให้ลังวันไปไปเรียกญาติมาเ อ, อพอไปเรียกญาติทั้งหลายมาพวกทั้งหลายญาติทั้งหลายที่ขี่โลภในทรัพย์สมบัติใช่ไหมโอ้พระเจ้าแผ่นดินคงจะให้ลังวันข่าวนี้หนะอ่อยพอเรียกญาติมาหมดแล้วจับพอจับเสร็จแล้วก็ขุดหลุมเอาดินฝังเพียงแค่เอวจากนั้นเอาฟางมา เอาฟางมาใส่ลงไปแล้วก็ไฟเผาเลยมันนะเผาฟางตายมดนี่แหละตามไม่จริงโลงพ่อพิญณาดูแล้วสักจะเกินไปเหมือนกันนะพวกญาติญาติเขาไม่รู้อินโหอินเองจับมาเผาไฟเพราะว่านางสามาคันธยาเนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วก็มันคงจะพวกญาติก็คงจะพร้อมใจกันมั้งพระเจ้าอเทนคงจะคิดอย่างนั้น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 ไม่ลหลงไหลในเรื่องกามกิเลส เ, เพราะชาตินี้เราได้สําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เ, เราหมดจดจากกิเลสแล้วเราไม่เยื่อใ ย, ยแล้วในเรื่องทางโลกเดี๋ยนี้ก็นางตัี๋วนี้กับผูกพยาบาทที่ฝั่าพระพุทธเจ้าไม่ขนาดเท้าก็ไม่อยากจะแตะ เ, เรื่องเพศตรงข้ามเอาผดุงตัดอย่างนั้นก็เลยผูกอาฆาตจุดนี้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 การอิจฉาเนี่ยความอิจฉาอยู่ที่ไหนความบรไลัยอยู่ที่นั่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนถึงจะอิจฉาใครกหนาดไหนก็เถอะเราต้องเพ่งมองไปในอนดีตอดีตกรรมของเขากรรมของเขาอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุเพเวนวาสารุสติญาณอดีตกรรมของเขากรรมของเขาเขาอาจจะทากรรมดีก็ได้เขาจึงรวยเขาจึงเป็นภู ผู้ได้รับจดถาบรรดาศัก์อย่างนี้เพราะอะไลอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อพระอนุตเมื่อพระองค์งงได้ตรัสรู้ท่านก็ตั้งอัครสาวกองค์นี้เป็นสาวกข้างขวานะคื อ, อสาลีบุตรอันนี้องค์นี้สาวกข้างซ้ายนะโมกคลาอันนี้นะพระอานนุ์เป็นผู้อุปถัมภ์จากนั้นทั้งตั้งอัครสาวกตั้งแปดสิบองค์นะอชิติมหาสาวกนะ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 ชาตินี้เป็นชาติที่เขาจะได้เป็นอัครสาวกเราให้ตามบุญวาสนาบารมีที่เขาตั้งใจไว้ในอดีตเนี่ยแหะท่านมองในอดีตแต่คนปัจจุบันมองในปัจจุบันก็อิดฉ้ากันเพราะนั้นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นบางเรื่องบางราวมาันมาในอดีตอย่างพระโมกขาลาก็เหมือนกันเป็นอัครสาวกข้างซ้ายแต่พลในสุดถูกฆ่าตายถูกโจรฆ่าพระองค์ก็บอกว่าใช่อโมกคาลา เขาตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นอั克拉สาวกเขาก็ได้เป็นอั克拉สาวกข้างซ้ายคู่เคียงกับสาริบุตรแต่กรรมของเขาในอดีตเขาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนเพราะฉะนั้นกรรมตัว น, นั้นนะเขาเลยถูกฆ่ามาตลอดแต่ถ้าว่าเขายังไม่พ้นทุกอโมกขาลา ย, ยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าโมกขาลายก็ยังจะถูกฆ่าไปอีกอยู่ะนี่แหละอันนี้ก็คือ มีทั้งกรรมดีมีทั้งกรคำชั่วเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอักกตังลุกตังเสยโยนปัจชาตปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรคำชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นเมื่อเราได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องคิดดูให้ดีคิดคิดดีทดําดีพูดดี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 แต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวปัจจุบันนักรรมาการกระทาในปัจจุบันให้ผลเหมือนกันนะบาปเหมือนกันนะ เ, เห็นโทษเหมือนกันคนทำปัจจุบันนักรรมก็เข้าคุกเข้าตารางนะแต่ว่าอดีตกรรมก็ให้ผลม า, าใครเขาว่าตกตกตลนหลนไม่ราบรื่นในชีวิตอันลับพอนรโมทนาให้พอ